เรื่องถูกขับออกนอกประเทศตั้งแต่ท่านรับสมณศักดิ์เป็นที่พระธรร ม, มกิติจึงกระทั่งเป็นพระเทพกวีได้มีความผิดครั้งหนึ่งเมื่อเทศถึงตั้งกรุมกบิลพัดและตั้งวงสกยาราชในพระปฐมโพธิปริเชตที่หนึ่งนั้นแต่ในสมัยใช่การจะเทศพระปฐมโพธิปริเชตที่หนึ่งไม่ใช่กลางเดือนห ท่านก็นำไปเทศทถวายว่าเมื่อตั้งกรุงกระบิลพัดแล้วจึงนำบุตรกษัตริย์ในวงเดียวกันมาอภิเษกกษัตริย์องค์แรกได้นำพระคณิฐานานารีมาอภิเศกตามลทัทธิคติของพวกพราหมณ์ที่พากันนิยมว่าแต่งงานกันเองไม่เสียวงจนเป็นโล ก, กับบรรยัติสืบมาช้านานจนถึงกษัตริย์โอกากระวงรัชการที่หนึ่งรวมพี่น้องเจ็ดองค์เจ้าชายสามเจ้าหญิงสาม ออกจากเมืองพระราชบิดามาตั้งเป็นราชธานีขนานนามว่ากรุ่มกบิลพัทน์ตามบัญญัติของกระบินฤาษีตอนนี้ไปก็แต่งงานราชาพิเศษพี่เอาน้องน้องเอาอพี่เอากันเรื่อยไม่ว่ากันเห็นตามพรามก็ถือมั่นว่าอสมาพินวงศ์ไม่แตกแน่นแฟนดีบริสุทธิ์ไม่เจือไพร์กลาวนี้เรียนอย่างมาถึงประเทศใกล้เคียงมชิมาประเทศก็ลอยเอาอย่างกันสืบมา จนถึงสยามประเทศก็เอาอย่างเอาพี่เอาน้องขึ้นราชาพิเศษและสมรสกันเป็นธรรมเนียมมาสมเด็จพระจองกล้าวไม่พอพระราชาหฤทยัยไล่ลงธรร ม, มาทว่าไปไปไปไ ป, ไปให้พ้นพระราชาอาณาจักรไม่ให้อยู่ในดินแดนของฟ้าไปให้พน้นพระเทพกวีออกจากวังเข้าไปนอนในโบสถ์วัดระฆังออกมาไม่ได้นานใช้บินทบาทบนโบสถ์ลงดินไม่ได้เกรงผิด พระบรม ร, ราชองค์การรั้ถึงกราวถวายพระกรถินสเสด็จมาพบเข้ารับสั่งว่าเอา้าไลไม่ให้อยู่ในราชอาณาจักรสยามทำไมยังเขินอยู่อีกละ่ะขอถวายพระพรอัตมาภาพไม่ได้อยู่ในพระราชอาณาจากักรอัตมาภาพอาศัยอยู่ในพุทธจกักรตั้งแต่วันนี้พระราชองค์การอัตมาภาพไม่ได้ลงดินของมหาว พ, พิธเลย ก็กินข้าวที่ไหนไปทานที่ไหนขอถวายพระพรบิทฑบาทบนโบสนี้ฉันฐานในกระโทนเทวดาคนนําไปลอยน้ำรับสั่งว่าโบสนี้ไม่ใช่อณาจักรสยามหรือถวายพระพรว่าโบส์เป็นวิสุขามเป็นส่วนหนึ่งจากพระราชอณาจักรกริย์ไม่มีอำนาจขับไล่ได้ขอถวายพระพร ลงท้ายท่านตรัสขอโทษและทรงถวายกระถินครั้นเสร็จการกระถินแล้วรับสั่งว่าอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามได้แต่วันนี้เป็นต้นไปหมายเหตุเหตุนี้แหละทำให้พระเทพกวีคิดถวายอดิเรกทั้งเป็นคราวหมดรุ่นพระผู้ใหญ่ด้วย